ให้่ายหลวงพ่อมาเยี่ยมบ้านเก่านะเพราะบ้านเกิดหลวงพ่ออยู่จากนี้แหละอยูอ่แถววัดราชนี้เองตอนเด็กๆเดินผ่านโรงพยาบาลกลางเป็นประจําเลยเพราะไปเรียนที่วัดพ ร, ระปลาชัยตอนนั้นชอบมากเลยโรงพยาบาลกลางเป็นโรงพยาบาลเงียบๆเล็กๆข้างหน้ามีบ่อมีน้ําตกเล็กๆมีปลา เวลาจะเดินไปโรงเรียนหรือกลับจากโรงเรียนต้องมาแวะดูเส้นไอแต่ไม่เคยคิดนะว่าจะต้องมาทักแกรมที่นี่นะ <c oughs> แค่เดินผ่านวันนี้เราก็เจอกันแล้วก็มาเรียนธรรมะนัชาวพุทธเราต้องศึกษาธรรมะถ้าไม่ศึกษาธรรมะไม่ใช่นชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธคือต้องต้องเรียนอย่าว่าแต่พวกเราที่ส่วนใหญ่เป็นปุถุชนเลยแต่ทั่งพระโสดาบัน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 คนส่วนใหญ่มันจะลืมกายลืมใจทั้งวันใจลอยรู้จักใจลอยไหมมีใครไม่เคยใจลอยไหมหช่วยยกมือมีไหมหเรวก็ต้องถามแบบนี้จะได้ไม่ต้องยกถ้าถามบอกอ้าใครใจลอยยกมือขึ้นก็ไม่มีคนยกอีกลวมันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยของเราชอบเงียบๆใจลอยนะก็คือเราลืมกายลืมใจไปเวลาเราใจลอยเราเหม่อมอเราไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้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 ที่พวกเราหลายคนชอบไปหัดภาวนานั่งให้เคลิมล้มริปลีริปลีนะลืมกายลืมใจใกล้ใกล้สลบนะเราก็บอกว่าอย่นะสงบดีความจริงใกล้สลบแะนั่งจนลืมตัว ล, ลืมตัวขาดสตินะอย่าไปตั้งอย่างนั้นเสียเวลาการที่เรานั่งภาวนาแล้วเราก็เคลิ้มลืมตัวไปนะจิตมีโมหะแทนที่จะนั่งแล้วสู้กิเลสได้นะกับนั่งแล้วกิเลสมากกว่าเก่าอีก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 ถ้าหากเป็นสติปัฏฐานก็ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของจิตใจเรียกว่าความระลึกได้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดถ้าเมื่อไรเราอยากปฏิบัติแนละ้วเราก็เพ่งน้อยให้ใจน้อมนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวกําหนดไปได้กําหนดลมหายใจนะกำหนดท้องกําหนดเท้ากําหนดมือกําหนดอิริยาบทสี่กำหนดไปเรื่อยก็คือเพ่งอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้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 รู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องคองยุบก็เพ่งท้องนะรู้เท้าเพ่งเท้ารู้มือเพ่งมือรู้อะไรก็เพ่งอะไรนะอันนัน้นไม่ใช่ทีปรัสนาเพราะเพ่งเนี่ยมันจะนิ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งเจ้เอาไตรลักที่ไหนมาให้ดูไม่มีไตรลักให้ดูกายก็นิ่งใจก็นิ่งไปหมดบางคนนิ่งมากนะเมื่อสองวันเนี้ยก่อนที่หลวงพ่อจะปิดวัดก็ ม, มีพระขอพี่อุพระมาะด้วยกันฝึก กำหนดมานักนาสาหัสเลยะกำหนดเจนไม่รู้เรื่องแนะ่ะท่านใจลอยแบบนู้เลยนั่งฉันเข้าวนะน้าลายยืดเลยไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเลยหล<ม>่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดแนละ้วถ้าพระละหันหน้าสงสารอย่างงั้นข้าวไม่มีใครเขาอยากปฏิบัติหรอกพวกหมอเนะี่ยจะเข้าใจดีเลย<ม>พวกหมอโรงพยาบาลบ้า น, นเคยบอกหลวงพ่อว่าไม่ชอบนักปฏิบัติเนาะปฏิบัติแล้วบ้าเยอะมาสร้างปัญหาให้กับหมอมากมายเลย ฉะนั้นปฏิบัติผิดหรอกส่วนใหญ่ไปปฏิบัติเพ่งน้อยเท่งกายเท่งใจบังคับกายบังคับใจจะเป็นเครียดไปหมดเลยเครียดหนัหนกๆสติแตกทนไม่ไหวงเครียดจัดวิปัสสนาจริงๆต้องไม่เครียดจิต ท, ที่เครียดนั้นเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศล น, นะจะโปร่งร่องเบารู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาดสว่างสงบไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นความเครียดจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตนะตระกูลโทสะโมรจิต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 นั่งให้สบายเลยนะชวนนั่งให้สบายเลยแต่ละคนนั่งกัดสม่าสบายก็นั่งไปเลยนะซื้อกอี้ตัวละแสนมานั่งด้วยก็จะสบายเดี๋ยวก็ทุกข์ละดังนั้นกายนี่มันทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเมราะเรารู้สึกอยู่ที่กายเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีเขางพิเศษแ่้วกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานานๆก็ป่วยหนักทีนึง่งก็เข้าโรงพยาบาล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 มีวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจออกหายใกเข้าหมุนเวียนไปเรื่อยเมื่อเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะเห็นในกายนี้หน้าหน้าเบื่อกายนี้เต็มไปได้วยความทุกข์บีบคั้นใจจะคลายความยึดถือกายออกไปถ้าเราไม่ยึดถือกายนะต่อไปเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายมีได้พ้นทุกคน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 <laughs> รู้สึกไหมตอนเนี้ยใจหนีไปดูอาจารย์นองนึกออกไหมใจเราหนีไปแล้วเราลืมตัวเราเองเห็นมไหมใจนี่เคลื่อนที่ตลอดเวลานะเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเยเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็สงบรู้สึกไหมตอนนี้สงบรู้สึกไหม ตอนที่ดูจะหน่องไปเกี้ใจกระเจิดกระเจิงไปใชจฟู้สร้างเนะี่ยเนี่ยแต่ละขณะแต่ละขณะนะจิตจะแสดงไใรลรักให้ดูตลอดเวลาเลยอย่างคนที่ใส่เสื้อแฟชั่นทํามานั่งฟังหลวงพ่อทําเป็นยิ้มยิ้มใจลอยไปละวใจหนีไปสังเกตในตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดจิตนี้ไปไหนจิตทํางานตลอดเวลาใช่ไหมดูขวดน้ำมัง่งมันน่าดูอะไร น่าดูเลยนะรู้สึกไหมใจมันวิ่งไปอยู่ที่นี่นรู้สึกไหมหรือเห็นอนาะจารย์นหนองมันหลอกแค่ไหนไปดูมันนะใจเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาใจเราไม่เคยคงที่ใจเราคงสร้างไปเรื่อยๆนะสร้างไปทางตาสร้างไปทางหูทางจมกูกทางลิ้มทางกายสร้างไปคิดเนี๋ยวหนีไปคิดเดี๋ยวหนีไปคิดหนีไปเรื่อยๆถ้าเรามีสตินะเราเคยรู้ไปจิตใจนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตไม่เคยอยู่นิ่ง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 มองๆ อ, อยู่นะเดี๋ยวใจก็ฉลาไปที่อื่นฉลับไปคิดทางอื่นเนี่ยตอนนี้อย่างคุณเสื้อดำเ น, นี่ยใจหนีไปคิดล ะ, ะ <S <S <ม>เราไม่ได้ดูอย่างเดียวเราสั่งจิตไม่ได้นะยกเว้นเพ่งยกเป้นเพ่ย ง, ยอ ง, เเพงอย่างคุณที่ใส่ไท้าอันเนี้ยเจ้าหลวงเข้าแล้วเพ่งมาอย่างนี้นะจิตก็จะนิ่งๆ ง, งั้นเพ่งน่ใช้ไม่ได้อย่าไปเพ่งไว้ถ้าเราไม่เพ่งนะเราจะเห็นใรละถ้าเราเพ่งเราจะไม่เห็นใรละ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 มีความทุกข์ความทุกขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเรื่องอะไของชั่วคราวทั้งนั้นเลยที่หมุนมาในใจเราเนี่หมุนเวียนเข้ามาแล้วก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูนะแล้วเราบังคับไม่ได้เราสั่งจิตเราไม่ได้นะว่าจงมีแต you ่ความสุขความทุกข์มันจะมาห้ามมันไม่ได้เราสั่งว่าจงมีแต่ความดีเนี่ยจิตใจมันจะโลภมันจะดุจจะหลงใช่ไหมเราห้ามมันไม่ได้ จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเฝ้าดูอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าธรรมีปัสนาค่อยรู้สึกกายไปนะเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งมันทํางานไปใจเราเป็นแค่คนดูอยู่เราจะรู้สึกกันตีเลยร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นของเมตเทียงเป็นของเป็นทุกข์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง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 พระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องเทวตาไม่ได้ยกย่องพับผมว่าใจสูงนะท่านยกย่องมนุษย์นะพวกเราเป็นมนุษย์พวกเรามีใจสูงใจกับสูงของเราก็คือใจที่เหมาะสมกับการเจริญวิปัสนาที่สุดเพราะใจของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วสุขก็ไม่นานใช่ไหมทุกข์ก็ไม่นานโลคโกรธโหนก็ไม่นานสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะอยู่ชั่วคราวแป๊บเดียวก็หายไปแล้วในขณะที่ภพภูมิอื่นๆมันอยู่นานยกตัวอย่างอย่า ง, งสัตว์เบลฉาน สัตวรเชานั้มันหลงทั้งวันจะหาขณะที่มันไม่หลงเนี่ยแทบไม่ได้เลยมันจะหลงตลอดเวลาเลยถึงเป็นสัตว์เบลชานะหรือเปรตนะเปรตมันโลภตลอดเวลาใจมันมีแต่ความโลภนะมันเหมือนกับความโลภมันเที่ยงเอยู่อย่างนั้นโลภอยู่อย่างนั้นอยากโน่นอยากนี่อยู่ตลอดเวลาดันั้นมันไม่แสดงใจรักง่ายๆหรอกสัตว์นรกมันมีแต่ความทุกข์มันเป็นไปด้วยโทสะ คนะวามทุกบีบคั้นอยู่งั้นโทสะก็บีบคั้นอยู่งั้นนะทั้งวันทั้งคืนนะนะไม่เหมาะที่จะเจริญในปัสนาอาสุรากายนะพวกนี้ยึดถือในความคิดความเห็นพวกเซลจัดนะพวกเซลจัดนะต่อไปเราอย่าไปเรียกเลยว่าพวกอีโก้พวกอัตตาแรงอะไรนะเราเรียกง่ายๆอยาให้เขาได้ยินนะว่าพวกอสุรากายนะในสังคมเ ร, นะรากา็เยอะนะอสุรกายมันเซลจัดมันยึดถือแต่ความคิดความเห็นของมันไม่รู้ผิดชอบช่วยดีแล้ะพวกนี้ ยึดถือในความคิดความเห็นที่ผิดๆอย่างรุนแรงนะยึดในทิฏฐิเรียกว่ายึดในทิฏฐิพื่นี้เป็นภูมิของอสุรกายพูดจากธรรมะไม่รู้เรื่องนะหรื อ, อยังไปเป็นเทวดามีความสุขแม้จิตใจมีแต่ความสุขจะดูยังไงให้มันเป็นของไม่เที่ยงอนะ่ะมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นใต้ร้อยปีพันปีมีแต่ความสุขเห็นไหมมันเที่ยงดูหน้าดูตาก็ไม่แก่สักทีนะสวยอยู่อย่างนั้นแหละรออยู่อย่างนั้นนะมันดูยากนะเพะฉะนั้นทำยากภาวนายากยิ่งไปเป็นพมนะ ใจิตใจสงบอยู่นานเลยนานเป็นกับกบหมดพระพุทธเจ้าไปตั้งหลายองค์นะมันก็ยังสงบอยู่ย่างนี้เห็นไหมว่าจิตเหล่านั้นในภพภูมิทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เหมาะกับการทำํำพิปัสนาเลยจิตของพวกเราเนี่ยเหมาะกับการทำํำพิปัฒนาที่สุดเลยนั้นเราอยากทําลายจิตของมนุษย์ไปนะจงกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานะจงมาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหลายคนไปภาวนานะที่น้นที่นี่นะเสร็จแล้วไปที่วัดของพอ้นะพอนพระสงก็ต้องมานั่งแก้ใหม่ส่วนมากจะไปเพ่งเน่ยเพ่งอยู่นิ่ง มีพวกนิ่งแบบเจออะไรกัดแหลกนะอีกพวกหนึ่งเนี่ยเคลิ้มเลิมเหลวไหลมานะจง ก, กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาคนไหนที่ไปภาวนาแล้วไปติดอะไรที่ลึกที่ลึกมานะให้นึกถึงวันที่ยังภาวนาไม่เป็นวันที่ยังไม่เคยภาวนาตอนเราเด็กๆอะ่ะจิตใจของเราตอนเด็กๆใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาเพราะนั้นเด็กเรียนธรรมะง่ายนะผู้ใหญ่เรียนยากยิ่งแก่ยิ่งเรียนยากเพราะว่าเราไปดัดแปลงไว้มาก แล้วเราใช้จิตใจธรรมดาอย่าไปบัดแก่งมันแล้วก็ตามดูมันไปอย่างเด็กๆนะั้นเราเอาไอติมไปให้มันใช่ไหมมันก็ดีใจอย่างผู้ใหญ่เอามาให้มันต้องวางฟอร์มใช่ไหมอยากกินแทบตายเราต้องวางฟอร์มอย่างยิ่งเป็นพระอย่างหลวงพ่อเมื่อเห็นนี่อยากกินเราก็ต้องทําเป็นสงบไว้เนี่ยผู้ใหญ่มันมันยามากส่วนเด็กนะั้นใจเด็กมันซื่อๆใจที่ซื่อๆนั้นภะาวนาง่ายที่สุดเลยเห็นคนนี้เกลียดเกลียดเลยนะ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 ตัวที่เป็นทุกข์จริงๆก็คือกายทุกข์ใจทุกข์นีดูที่ในทุกสถานการณ์ที่ว่ามีความทุกข์อยู่อะไรเป็นทุกข์ตัวที่เป็นทุกข์นะถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ใจทุกข์งั้นตัวกายนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์นะแล้วเรารู้สึกอยู่ที่กายตัวใจก็เป็นตัวทุกข์เราก็รู้สึกอยู่ที่ใจกายนี่ใจนี้เป็นตัวทุกข์ค่อยรู้สึกอยู่ดูไปเรืการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยต่างจากของคนอื่นคนอื่นเขามุ่งหนีทุกข์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 เห็นไหมคนพอร่างกายเจ็บป่วยจิตใจจะเจ็บป่วยไปด้วยหมอต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพจิตอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินะเป็นชาวพุทธแท้จริงร่างกายเจ็บป่วยแต่จิตจะไม่เจ็บป่วยเราจิตใจเรามีปู่มคุ้มกันนะเห็นตั้งชื่อเรื่องอะไรวัคซีนความความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์นะเออมีวัคซีนเพราัศมีเรามีสติมีปัญญานี่แหละจิตใจเราจะต้านทางความทุกข์ไดนะ้ความทุกข์ไม่เข้ามาครอบงำใจ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 มันก็แค่อยากเอาความสุขอยากผลักความทุกข์ออกไปความอยากมันก็มีอยู่เท่านั้นเองทีนี้ทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจแนละ้วถ้าเมาื่อไรเรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งไม่ยึดถือในกายในใจนะความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกลงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไรนะเราจะละปัญหาละความอยากได้อัตโนมัติแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเนื่กว่าละเป็นสมุทเฉตเลยไม่ใช่ละเป็นกล่าวๆนะที่ท่านบอกทุกข์ให้รู้สมุไทยให้ละ ถ้ารู้ทุกได้เมื่อไหร่นะสมุทัยจะถูกละอตัตโนมัติความอยากจะไม่เกิดขึ้นถ้าความอยากไม่เกิดขึ้นอะไรเกิดไม่เกิดความบีบคั้นทางใจจะไม่เกิดถ้ามีความอยากเกิดขึ้นนะความบีบคั้นทางใจจะเกิดขึ้นเนื้อถ้าเรารู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งหมดความอยากความบีบคั้นในใจจะไม่เกิดขึ้นอีกเราเข้าถึงความพนทุ ก, กเรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานมีจริงๆริงนนิพพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็ก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 พ้นจากกิเลสพ้นจากขันนะจิตที่เข้าไปรู้นิพพานแล้วไม่ไปยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกไม่ยึดถือกระทั่งนิพพานจิตใจยังมีแต่บรมณ์สุขเป็นเปี่ยมอยู่อย่างนั้นเลยจิตใจจะเข้าถึงความสุขซึ่งลึกไม่ถึงจริงๆเลยอัศาจรรย์ที่สุดเลยการที่เราคอยรู้ตายรู้ใจที่เรียกว่ารู้ทุกนะจนวันหนึ่งมันละความอยากได้แล้วมันเห็นนิพพานได้อันนั้นแหละเรียวกว่มามรร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 ก็จะไปเห็นนิพพานนะมีแต่ความสุขล้นๆ้นเลยีเทศตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่กอกไก่ยันหอนุภูกเลยนะน <c oughs> ันอยู่ที่พวกเราแล้วนะธรรมะก็บอกให้อย่างเปิดเผยถ้าพูดสำนวนหนังสือพิมพ์บอกหลวงพ่อเทศแบบโจมขึ้มนะ <c oughs> เทศแบบเทกระเป๋าเทย่ามให้หมดเลยนะนั่นหน้าที่ของเรารู้ตัวรู้สึกตัวนะ <c oughs> แล้วก็ดูกายมันทางานดูใจมันทางาน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 ถือว่านี่ใจท่านตื่นขึ้นมารูอา้ออกจากโลกของความคิดได้ท่านบอกเข้าใจแล้ท่านเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วมันต้องเป็นผู้รู้นะคือรู้กายรู้ใจนะพอรู้แล้วเราจะตื่นขึ้ น, นมาเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นทันทีที่จิตตื่นนะ่จิตจะเบิกบานนี่แหละคือคําว่าพุทธะเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้ตื่นเราจะเป็นผู้เบิกบานคนทั่วทั่วไปไม่ใช่ผู้รู้แต่คนทั่วทั่วไปเป็นผู้หลง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 นีมีคนมาบอกนะว่ามีวัดบางแห่งนะเอาซีดีหลวงพ่อไปขายด้วยนะเราแจกแเอาไปขายต่อมีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ว่ากันนะอย่างน้อยก็คนยังได้ฟังพยายามฟังไปฟังไปแล้วก็สังเกตจิตไปนถ้าปะไปจะให้ถามนะสังเกตไหมจิตวิ่งไปอยู่ที่คุณจูนเ <c oughs> จูนนี่สังกัดค่ายแกลมมี่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 เนี่ยฝึกตัวอย่างนี้เได้ๆตอนเนี้จิตนี้ไปคิดทราบไหมจิตไปคิดใช่ไหมจิตมันไหลไปคิดแล้วก็รู้ทันว่าจิตไปคิดอยากพูดรู้สึกไหม <c oughs> เห็นแรงดันไหมมันจะมีแรงดันขึ้นมาที่กลางหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวนี้นะพวกจิตแพทย์นะใช้วิธีแก้ปัญหา ง, ง่ายๆเลยคนไข้บางคนรักษายากนะหมอสั่งยาหลายปีไม่หายนะเริเ่มแจกซีดีหลวงพ่อแนละ้ว <c oughs> ฟังไปฟังไปหายได้นะยกเป็นพวกที่เป็นเพราะสมองผิดปกตินะถ้าเป็นเพราะระบบปรนะสาทเนี่ยไม่หายนะถ้าเป็นเพราะทางจิตใจเอาหายได้นล้วไงกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเดี๋ยวปไปกดเลยปล่อยจิตให้เป็นธรรมดานะของคุณเริ่มใช้ได้ลนะ้วปล่อยให้เขาทํางานแล้วเราตามดูเข้าไปกระผมขอถามว่าขออบายพระเดชพระคุณที่จะลดความเพ่งของกระผมครับ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 แล้วใจเราจะเบี่ยงขึ้นเหบี่ยงลงตลอดเช่นเราเห็นคนนี้เรามีความสุขเราเห็นคนนี้เรามีความทุกข์เราเจอแต่ไฟแดงใช่ไหมเราก็หงุดหงิดเราเจอไฟเขียวเราก็ดีใจนี่ให้เราภาวนาได้ทางนั้นให้เราคอยรู้ทานความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆดูเล่นๆอย่าคิดว่าเราจะภาวนาอยา่าอย่าคิดเรื่องปฏิบัติเลยให้คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆรู้เล่นๆไปต่อไปมันจะเลิกเท่งขอบพระคุณครับหลวงพ่อเสียเวลาเท่งอยู่ยี่สิบสองปี ตั้แต่เด็กๆนี่แหละ ย, ยังอยู่ถนนบริพัฒนเนี่ยบ้านดอกไม้นะตรงนี้แหละตอนเด็กๆอายุเจ็ดขวบพ่อพาไปกราบท่านพ่อรีที่วัดอโศการามนะหลวงพ่อเลยเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อรีนี่ไปเรียนกับท่านได้สองสามปีท่านก็สิ้นไปเราเด็กเล็กน่ยท่านก็สอนแต่สมถะท่านยังไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาให้ไม่ได้สอนหลักของวิปัสสนาทำแต่สมถะแล้วหลวงพ่อเพ่งเก่งนะเพ่งลูกเดียวเลยเพ่งแล้วพระใจก็นิ่งๆอย่างนะี้นะ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 จิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตเห็นสภาวะบ่อยๆคุณลืมคำว่าปฏิบัติสะนะแล้วก็คอยรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเนื่อใจเราแอบไปคิดก็รู้ะใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเรามีโลภโกรธหลงอะไรขึ้นมาคอยรู้รูปเดี๋ยวหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆทุกวัน เ, น, เนึ่งสติแท้ๆจะเกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาอย่างคุณผู้ชายที่ส่งกันบ้านเสร็จเมื่อกี้รู้สึกไหมเริ่มกดอีกแล้ว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 การเพ่งให้นิ่งการกําหนดเอาไว้การกดเอาไว้กลมเอาไว้ควบคุมเอาไว้บังคับเอาไวนะ้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานโยคเคเรียนไหมการที่เราหลงตามกิเลสเผลอเพลิเเลนไปเรื่อยๆรื่เรียก ว, ว่ากามสุขัาริการโยคการที่เพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจกําหนดกายกําหนดใจนะทำกายให้ลําบากทําใจให้ลําบากเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานโยค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 ท่านรู้ทันวับตรงที่รู้เนี่ยคือรู้ละจิตมันรู้ตื่นให้มันนะแต่ท่านยังจับสภาวะนี้ไม่แม่นจิตก ouais, ็ okay. หลงกลับไปเพ่งอีกใหม่เหมือนพอเผลอเรารู้ว่าเผลอนะจะกลับมาเพ่งอีกะพอท่านเพ่งหนู่มพ่ก็หลอกให้คุยคุยไปเรื่อยๆนะพอท่านเผลอชี้ให้ดูอีกเผลอแล้วนะท่านเห็นครั้งที่สองนะท่านก็ยังเพ่งอ like ีกพอชี้ครั้งที่สามนะท่านตบโตะเรี่ยงเลยเราด้วยจะชกเราแล้วโป้งเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจล้ ง่ายนิดเดียวเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดเดียวใจเราเผลอไปรู้ว่าเผลอส่วนมากพอเราชอบเพ่งตลอดเวลาหัดเผลอซะเผลอเผลอไปพอใจเผลอนะเรารู้ว่าเผลอเนี่ยจะรู้ตัวได้พอดีเลยค่ะ อ, อหนูรู้สภาวะทำบ้างหรือ ย, ยังเจ้าคะหลวพ่อเห็นใจที่กรบวนกระวไหมเห็นเจ้าคะ่ะออถ้าเห็นก็เรียกว่าเห็นสภาวะนั่นแหละ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 รู้จะค่ะนะจิตแอบไปคิดขาคุณหลงไปคิดแล้วนะคุณนึกออกไหมหลงไปอีกรูฟแล้วแต่คราวนี้ไม่ตื่นเหมือนตะกี้คราวนี้เพ่งเอาไว้หลวงพะอจ้ะค่ะแล้วตอนกําลังมองแล้วเนี่ยกำกำลังกังวลกระวายแล้ ว, แ ล, วแล้วดูอย่างนี้นี่โอเคนหมครโอเคสิ<ๆ>เราเห็นว่าจิตมันกังวลกระวายเราเป็นแค่คนดูนะเราไม่ได้กังวลกระวายถ้าเมื่อไหร่เราอินกับมันนะเราถึงจะกะังวลกระวายไปด้วย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 มีกี่คนนะที่จะถามฮะจูนลอาใส่ไม่ทันนะที่อ้าว่าไปงั้นต้องตรวจการบ้านสั้นๆกาบนะน้การหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อมาหายละนึงก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถูกแล้วนะใจเริ่มตื่นเึ้นมา้ดูเล่นๆไปเห็นไหมกิเลสมันโผล่ขึ้นมาได้ทั้งวันดูออกไหม ก็ออกบ้างไม่ออกบ้างื่อหลักใกิเลสมันปุดขึ้นมาปุดขึ้นมานะเราแค่รู้ดูไปเรื่อยๆความจริงทั้งห้าคนเนี่ยใช้ได้แล้วนะทั้งห้าคนนะใกล้จะตื่นนะสี่คนมีของคนนะี้ติดเข่งแรงไปนิดนึงคนที่สี่อย่าไปเพ่งนะถ้าไม่เพ่งกนะ็รูดออกตบมาแล้วบางครั้งเนี่ยพอเราเหมือนเรารู้ว่าเราคิดเราเผลอ มันเหมือนว่าเราจะดึงตัวเรากลับมาเ อ, อนั่นแหละลที่หลวงพ่อบอกว่าพอรู้ว่าเผลอนะที่แรกเผลอก่อนสภาวะที่หนึ่งคือเผลอไปคิดสภาวะที่สองคือรู้ว่าเผลอไปคิดสภาวะที่สามไปดึงคืนมาตอนที่เผลอไปนะเป็นการมาสุขาริการนโยมหลงตามกิเลสไปตอนที่ดึงคืนมาเนี่ยบังคับตัวเองเป็นอันตตาขืนมัา น, นโยมตัวรู้อยู่ตรงกลาง แต่ว่าโดยธรรมชาติของพวกเราที่หัดใหม่ๆเนี้ยเราเคยชินที่จะบังคับตัวเองเพอ ร, รู้ว่าเผลอเนี่ยเกิกลับมาเพ่งทุกคนเลยให้ให้รู้ถันมาเพ่งไปนล้วต่อไปก็คลายออกคลายออกนะอย่าไปบังคับใจให้นิ่งเของคุณผู้ชายก็ไปบังคับนะปล่อยแช่ปล่อยปล่กลับขอบคุณหลวงพ่อจะคะขอบคุณนะใจะยังสงสัยอยู่ให้รู้ว่าสงสัยสัยก่อนแนละ้วค่อยขอบคุณนะณนมะัสการหลวงพ่อเออ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 หัดดูไปอย่างนี้นะใช้ได้เออคนนี้เริ่มคลายออกแล้วรู้สึกไหมแจมนสว่างขึ้นมาแนะเอออย่าไปเพ่งปล่อยมันให้ออลมวันกลางทั้งหมดเลยแล้วปะเก่งนะหบคนแล้วใช้ได้แล้วอ่ะค่ะนมันสการค่ะก็คือเพิ่งฝึกแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าจะยังมีการแน่นๆในท้องเออแน่นๆเพราะว่าเพ่งไว้บังคับไว้เราจะทํายังไงถึงจะคลายได้อะคะเดีย๋ยวไปทำมันสิถ้าทํายังไงก็เพ่ง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 ลืมบอกถ้าฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หลับเนี่ยผิดปกติเองไปตรวจสภาพจิตใจได้เลยค่ะแล้วหัดรู้สึกตัวทุกประจําวันนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจโปร่มๆมาขึ้นจะขอการบ้านหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้บังคับอยู่ดวออกไหมดูออกค่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่จิตยังฟุ้งซ่าน ง, ง่ายค่ะให้ไปเดินจงกรมไหมะนะเดินไปแล้วก็เห็นร่างกายเป็นเดินไม่ใช่เดินบังคับให้จิตนิ่งนะ แล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินไปเดินไปใจลอยแวบรู้ว่าใจลอยภาวนาดีขึ้นเยอะเลยก่อนไปเจอที่วิมุตติยาลัยของท่านหมอใช่ไหมตอนนั้นยังสู้ตันนี้ไม่ได้รู้สึกเปล่ารู้สึกเจ้าค่ะใจมันสว่างขึ้นมาแล้วนะรู้สึกไงไปเดินเดินเถอะนะเดินเดินแล้วเห็นกายมันเดินเดินแล้วเห็นจิตมันทํางานไม่ใช่เดินบังคับกายบังคับจิต อเชขออนุโมทนาก<อ>ับทุกท่านที่ทําซีดีแจกนะคะเหรอโมก็โ ม, าโมาสาธุอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> กับนมัสการหลวงพ่อครับเห็นกลายอยู่แต่ว่าไม่ชัดเจนแต่ใจเนี่ยมันจะไม่ชัดจะทำอย่างไรมันนิ่งเกินไปถ้าเราเพ่งอยู่นะจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกดเลยครับกดไว้ไม่เชียงกดธรรมดานะน้อมใจให้ซึมด้วย อ๋อครับเราจะแก้ไขยังไงครับขอการบ้านไปคเลือกนั่งไปก่อนนะเลือกนั่งสมาธิไปก่อนนะแล้วก็ไปเดินไปหา ง, งานทำํำนกะวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารดต้นไม้อะไร น, นี้หา ง, งานทําไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อ ย, ยใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทํางานได้เรื่อยยังไม่จะตื่นขึ้นมาพอใจเราตื่นขึ้นมาดีแล้วก็กลับไปทําสมาธิใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าทําสมาธิมากโมหะจะมากไกสุ คุณนั่งสมาธิด้วยวิธีนี้แหละนั่งแล้วก็จะน้อมเข้าไปน้อมน้อมนึกออกไหมไม่ออกครับนั่นแหละคุณไปนั่งแบบนั้นแล้วมันถึงซึมจิตมันวิ่งไปที่กายนะมันจะเห็นแล้วมันหลงไปมันหลงใช่ไหมมันหลงไปอยู่ที่กายให้คุณรู้ทันว่าจิตไหลไปรู้ทันว่าจิตไหลแล้วอย่าดึงนะถ้าดึงแล้วจะแน่นอ๋อจะไม่อยู่จะไม่เป็นการางมันมันไหลไปมันไม่ตั้งมั่นมันไหลลงไปอยู่แช่อยู่กับกายนะจิตก็ถูกโมหะครอบไปเลยครับจิตเลยไกล ไปทำสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าโมหะสมาธินครับมันไม่ใช่สัมมาสมาธิทําแล้วมัวถ้าทําแล้วไม่สา ม, มารถรู้กายรู้ใจได้ครับเดีย๋ยวตามไปส่งกันบ้านที่วัดอีกทีค่ะโ อ, อ้นะตามไปดูวันหน้าวันบางวันก็มีอยู่ในมัด ก, การหลวงพ่อค่ะเมื่อเดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าที่ปฏิบัติตมาเนี่ย อ, อพอใช้ได้ค่ะทีนี้เนี่ยก็ลองมาดูตัวเองฟังซีดีเนี่ยก็รู้สึกว่า ตัวเองปฏิบัติมาเนี่ยยังไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นผู้ดูหรือว่ารู้สึกว่าเป็นผู้ถูกดูไม่จําเป็นเห็นไหมว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยชั่วคราวความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคดูอยู่แค่นี้ก็พอละแล้วทํายังไงให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมานะคะยังไม่ต้องนะหัดูสภาวะบ่อยๆกันดูไปเรื่อยจนสติแท้ๆมันเกิดกับอการฝึก ที่ที่ผ่านมานี้ก็คือสติมันเกิดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใจยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหใจยังไม่ตั้งมั่นนะแล้วทำยังไงให้ตั้งมั่นนะคะท่านคือสติที่ที่เกิดตอนนี้มันไม่ใช่สมาสติถ้าสมาสติเกิดเนี่ยนะจะต้องเกิดสมาสมาธิ ด, ด้วยสติตอนนี้เป็นสติธรรมดามันไม่ใช่สติที่รู้กายรู้ใจที่แท้จริงยังเจือด้วยการคิดรู้สึกไหม <c oughs> เรายังรู้ที่เจือด้วยการคิดอยู่ อย่างตอนนี้ก็ไปคิดแล้วทราบแหมค่ะให้คอยรู้ทานจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆเนี่ยไหลไปแล้วรู้สึกไหมรู้ตรงนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวใจมันจะตื่นขึ้นมาขอบพระคุณค่ะกาบนมัส ก, การค่ะยอมติดเพ่งมา20กว่าปีค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติโดยจิตได้2ปีแต่ยมฟุ้งมากค่ะเพ่งน้อยลง คนที่ติดเท่งนานๆนะเขามาหันดูจิตเนี่ยจะฟุ้งซ่านมากกว่าคนปกติเพราะว่ามันเก็บกดมานานจะตกใจโยมเกิดดับแทบทุกวินาทีเลยอะค่ะพระอาจารย์รู้สึกไหมตอนที่เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเกิดดับทุกวินาทีเรายินกับมันแล้ใช่ค่ะเรารู้สึกมันมากเลยเนี่ยให้รู้ทันนั้นจิตมันยินไม่งกันบ้ี่ะให้รู้ทันลงไปเรื่อยๆร่อเริ่มหายจากการเพ่งแล้วแหละใช้ได้ขอบคุณค่ะเก่งนะเพ่งตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วแก้ได้ มีคุณป้าอยู่คนหนึ่งนะแกเพ่งมาตั้งแต่สาวสาวแกไปหาหลวงพ่อตอนอายุแปดสิบเจ็ดหลวงพ่อบอกว่าโยมก็เพ่งต่อไปก่อนแกไม่ทันแกเแกิดแกแกให้เลิกเพ่งนะจิตจะฟุ้งสุดขีด แ, แล้วตายตอนนั้นเดี๋ยวจะไปอบายซะรอแกไปเป็นพระพรหมนะผ่านพระศรีอานไปอีกสองสามองค์อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกลับมาเกิดใหม่มาตั้งต้นเอาใหม่เสียเวลาอ่ะอไป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 ใช้อะไรใช้กรรมฐานอะไรรู้ลมหายใจครับลองทำให้ดูซิวางมาไปก่อนเดี๋ยวทำของเค้า ต, ตกแตกไปสังเกตไม่ใจเราไหลไปอยู่ที่ลมก็สัมผัสได้ว่ า, อ ย, าอย่าให้จิตไหลไปให้แค่นั่งเห็นร่างกายนี้หายใจใจเราเป็นคนดูอยู่ต่าหากอย่าให้จิตไหลเข้าไปที่ทำผิดอยู่คือจิตมันไหลเข้าไป ก, ก็แค่รู้ว่า หายใจเข้ากับหายใจออกแ ต, แต่ตอนที่รู้เนี่ยจิตต้องตั้งมัน่นของคุณเวลารู้เนี่ยจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมทำใหม่ทำไหม่เนี่ยตอนนี้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านให้รัวฟุ้งซ่านนะนั่งรู้ทันจิตไปแต่ว่าอย่าปล่อยจิตให้เคลื่อนแล้วไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมนะปกติจะใช้วิธีตามรู้ลมหายใจคูบควบคู่ไปกับการการรู้สภาวะพร้อมกันไปด้วยครับก็ทําได้แต่ต้องไม่ไหลไปถ้าไหลไปแล้วไม่สามารถรู้สภาวะได้ แล้วอย่างนี้วิหารธรรมที่ผมควรจะก็รู้ลมหายใจไปไม่ไม่ไม่ขัดเกิดไม่ขัดสิครัหลวงพ่อก็เริ่มมาจากลมหายใจนะครับแต่แทนที่จะหายใจแล้วให้จิตนิ่งนะหลวงพ่อหายใจเรารู้ทันจิตครับหายใจแล้วเรารู้ทันจิตเช่นเราหายใจหายใจนะจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิด หายใจแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหายใจแล้วจิตสงบหรือว่าจิตสงบหายใจเราก็รู้ทันจิตไปแล้วอย่างมีวิธีจะแก้การเพ่งนี่ก็คือคอยตามรู้ว่าเราเราไหลไปตามลมหายใจใช่ครับการเพ่งก็คือจิตมันไหลเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์แดนหนึ่งเพ่งลมหายใจจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมเพ่งท้องของยกจิตก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเพ่งเท้าจิตก็ไปอยู่ที่เท้าเพ่งมือจิตก็ไปอยู่ที่มือ แค่เงอะไรจิตก็ไหลไปอยู่ที่นั่นจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รุ้มผู้ดูขึ้นมาเอาไอ้หนูที่ไปผาซ่อนแก้วหลงแล้วแล้วก็มว่าบังคับตัวเองด้วยรู้สึกไหมตรงนี้ต้องเลิกเลยนะอย่างนี้ทนนานอย่างนี้ไม่ได้เป็นการบังคับกดข่มจิตแล้วข อ, ข อ, อคอยคาถามนะครับแล้วอย่างนี้เราใช้วิธีการเคลื่อนไหวกายควบคู่เข้าไปด้วยดีที่สุดเลย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 ชีวิตส่วนใหญ่ข็เราอยู่กับโลกธรรมดายอย่างเงี้ยถ้าเจริญสติได้เราเจริญได้ทั้งวันเลยถ้าต้องนั่งสมาธิถึงเยพรรนได้แล้วก็ยังน้อยวันๆนหนึนน่งทำได้นิดเดียวกลาวว่นสการค่ะหลวงพ่อคือโยมเพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อตั้งแต่เดือน1ิเอ็ดปีที่แล้วนะคะก็ฟังมาทุกวันก็รู้สึกว่าโทสะน้อยลงมีความสุขมากขึ้นมีสติรู้มากขึ้นบ้างนะคะ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 อย่างนี้มันไปยักหน้าอย่างนี้นะมันรู้สึกรู้สึกนะแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้เพ่งไว้ขอบคุณเพ่งนะระวันนะเพ่งเหรอคะ เ, ออเมื่อกี้ที่ไปรู้กายอะไปเพ่งกายรู้แบบเพ่งนะเช่นอย่างนี้มันมันนิ่งไปยังไม่สามารถ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 หลวงพ่อคะัหลวงพ่อบอกว่าให้ดูเหมือนเล่นๆตามรู้ตามดูบางครั้งเนี้ยมันคือเล่นจนแบบปล่อยเป็นธรรมชาติจนเหมือนลืมตัวเองอะค่ะไม่อย่างนั้นไม่ได้เราต้องมีวินัยในตัวเองทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรในรูปแบบต้องทําทุกวันนะถ้าไม่ทำแล้วจะหลงนานนั่นเราทําทุกวันคือของโยมก็ต้องทําปฏิบัติทาง สมาธิเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมให้มากๆหน่อย่ะเดินดีกว่านั่งค่ะคนที่นั่งสมาธิส่วนมากซึมขอบคุณค่ะพยายามกระดุกกดิกไว้นะกระดุกกดิกแล้วก็รู้สึกกระดุกกดิกแล้วรู้สึก แล้วมาตการหลวงพ่อเจ้าค่ะเช็คสภาวะเจ้าทําไม่ทราบตอนนี้ลูกมีอะไรตอนนี้เหรอตอนนี้ลูกตื่นเต้นแล้วที่ปฏิบัติมาไม่ทราบว่าหลวงพ่อจึะมีอะไรตอนจิตมันไม่ตั้งมั่นนะรู้สึกไหมจิตมันเหมือนมันโปร่งโปรงว่างๆกระจายออกไปข้างนอกเจ้าค่ะแล้วแต่งนี้ลูกจะต้องให้รู้ทันมันว่าจิตหลงออกไปข้างนอกจิตมันไม่ย้อนตวนเข้ามาดูกายดูใจ ใช่ค่ะเป็นไปว่างๆโปร่งๆสบายๆเผลอๆเฟินๆไปอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมจ๊ะไม่ดีไม่ดีต้องรู้กายต้องรู้ใจไหมจ้าค่ะแล้วทีนี้บางทีแบบว่ามันมีสภาวะข้างนอกเนี่ยมากระทบมันจะมีปัญหาที่ลูกจะคลิปเนี่ยลูกก็จะเลี่ยงไปเดินจงกรมแทนทีนี้มันก็จะมีการคําตอบมาทีแบบอย่างสมมติว่าเราสงสัยว่าเอแดงกับเหลืองทำไมถึงต้องทะเลาะกันแล้วเราไปเดินจงกรมเนี่ยแต่เราก็จะมีคําตอบมาเองเราจะเห็นถึงความอย่างนนเรื่องปกติใช่ไหมจ้าค่ะเป็นปกตินะ หลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพุธอ่ะใครรู้จักไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อพุทธานิโยเจ้าค่ะบอกว่ามันมีสถาปนิกคนหนึ่งไปรับงานออกแบบที่ยากมากเลยคิดเงินก็คิดไม่ออกนะแกก็เลยนอนไปเลยตื่นมากก็นั่งสมาธิอะไ้นแกนะลืมไปแล้วแกเห็นแปลนมันขึ้นมาเลยที่จิตมันเป็นธาตุรู้ค่ะแล้วที่นี้บางทีแบบว่าอย่างลูกขับรถไปเนี่ย มองเห็นตึกอยู่อยู่ๆก็จะมีแบบว่าตึกที่ล้างเนี่ยมาทาบทับอยู่อย่างเงี้ยมันคือเป็นอะไรเจ้าคะเป็นนิมิตเป็นนิมิตเฉยๆที่ตามมองเห็นอยู่นี่เองเพราะว่าจิตของคุณเนี่ยมันเพ่งไว้เรื่อยๆมันเป็นสมถะอยู่เรื่อยคต้องแก้ต้องเลิกไม่ใช่ต้องแก้ต้องเลิกเพ่งเจ้าคะ่ะติดสมถะนะครับหลวพ่อครัเจ้าค่ะแล้วไปติดตอนนี้สมถะเพ่งให้ว่างๆไว้จั บ, บนะ้มันตะการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ ที่ฉันอยากขอการบ้านกับหลวงพ่อค่ะเพราะว่าไปที่ผาซ่อนแก้วอาจารย์ปรารมีบอกว่าให้มาพบกับพระอาจารย์ให้ช่วยชี้นําเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการบําเพ็ญค่ะอย่างตอนที่เล่าถึงอาจารย์ปรารมีรู้สึกไหมใจมันหาท่านมันเป็นนึกถึงท่านไหมมันลืมปัจจุบันพยายามรู้สึกกับปัจจุบันไหมถ้าเข้าใจคําว่าปัจจุบันาการภาวนาจะ ง, ง่ายที่สุดเลยค่ะเหมือนอย่างวันใ น, ในี้ใจลอยไปอีกแล้วเห็นไมถ้าเห็นความอยากพูดไหม มันมีความอยากดันขึ้นมาให้รู้ทันค่ะตื่นเต้นที่ได้พบพระอาจารย์ค่ะเพราะใครๆบอกว่าพระอาจารย์นี้พบยากมา ก, ากาหลวงพ่อว่าคนพบหลวงพ่อเยอะน ะ, นนะแต่ละาอาทิตย์นะคนพบตั้งหลายพันเพราะวันนี้ได้มีโอกาสพบผู้อาจารย์ก็เลยทดลองดูจิตตัวเองอว่าเรานั่งมองอาจารย์ในเวลาเดียวกันก็มีเกิดความคิดขึ้นมา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 เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบขี้สงสัยอะค่ะแล้วก็ชอบพิจารณาแล้วขี้โมโหด้วยใช่ค่ะลึกๆนะคะอืแต่ไม่บ่อยค่ะให้รู้ทันมันค่ะแต่ตอนนี้มีข้อที่จะให้พู้อาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะเพราะว่าคนใกล้ตัวก็คือสามีตัวเองไม่ทราบเป็นยังไงเห็นหน้าทีไรขุนทุกทีแต่เนี่ยหลวงพอถึงบอกเลยว่าไมนขี้โมโหค่ะแต่พอเวลาที่รู้ทันมันเหมือนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอัตตามากใช่ทำไมถึงว่า โทสะเกิด เ, ออเดี๋ยวก็ความโลภเกิดแล้วก็มโมหะเกิดได้คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าในชีวิตก็ไม่ค่อยอยากจะให้อะไรลูกๆ ก, ก็เลยเกิดอัตตาว่าทาไมเอ๊ะก็ให้คนอือ่นได้ทำไมให้ลูกไม่ได้ไม่ทราบว่าของเรานะลูข อ, องเราไป เ, เราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้ค่เราอยากถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ขนาดนี้ถูกทางไหมคะของโยมนะไปดูนะจิตมีโทสะขึ้นมาก็ให้รู้ทันะจิตมีมานะอัตตาขึ้นมาก็ให้รู้ทัน จิตเรายึดในความคิดในความเห็นของเราก็ ใ, ให้รู้ทันแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นพอ ช, ชีวิตของเราร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยสามีจะรู้สึกว่าเราทั้งสาวทั้งสวยแล้วก็ดี <c oughs> เหมือนมีเมียใหม่หลายคนมาบอกหลวงพ่ออย่างนั้นนะแก้ที่ตัวเองก่อนนะแล้วในบ้านจะดีขึ้นแก้ที่ตัวเองก่อนนะในบ้านจะดีขึ้นอ้าวต่อไปนักการหลวงพ่อคะ่ะกลัวไหม กลัวรู้ว่ากลัวครับอก็คือปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันจะฟุ้งซ่านเยอะค่ะ<ร>อยากให้ภอนาให้ไม่ฟุ้งซ่านแต่นะแต่บางทีรู้สึกว่ามันจะฟุ้งไปเยอะเลยจะถามหลวงพ่อว่ามีหลวงพ่อแนะนําให้ใช้ยวิหารแล้วทำอะไรไหมคะก็ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้นะเช่นเห็นร่างกายพยักหน้าเหลียวซ้ายแลขวายกมือแต่ไม่ใช่จงใจ ย, ยกนะจงใจ ย, ยกอย่างนี้อย่างนิดหนึ่ง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 แล้วหนูพยายามรู้สึกตัวในระหว่างวันประจําวันแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเจา้าค่ะขอกราบขอคำแนะนำจากอาจารย์ล้ <ขอ S 2> ลไปทําอีกขอบคุณเจ้าค่ะคนเนี้ใจมันอ่อนไปนิดนึงนะคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จะรู้สึกไหมใจเรามันอ่อนไปนิดนึงเข้มแข็งกว่านี้หน่อยนะนักภาวนาต้องเข้มแข็งนะหนูไปอยู่ที่ศวนสติธรรมมาประมาณสามเดือนที่แล้วค่ะแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่ากลับมาให้ทําอย่างเดิมอีก แรกๆก็ทำได้คะตอนหลังๆงานมันเยอะก็หลังๆ ง, งานมังงนเยอะก็เลยปล่อยไปไคะ่ะงานเยอะก็ทำสิถ้าไม่ทำน้ำาก็ทุกเละเนื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่มีความทุกข์จิตกูหนูตอนนี้เป็นไงจิตกูหนูตอนนี้เป็นยังไงเจ้าคะ่ะก็ไม่เร็วนะไม่ได้มีปัญหามากหรอก ดูไปเลยความทุกข์ในใดๆหลเข้ามาในชีวิตเราเราก็คอยรู้เอานะทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดดูอย่างนี้คนคะนรู้เรียกว่าตื่นใช้ได้ไตื่นไหมตื่นตื่นตื่นหลับหลับเป็นทุกคน<ๆ>นะหลับนมรรการหลวงพ่อครับผมเคยเข้าคอร์สปฏิบัตินะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับมาสองครั้งหลังเนี่ยครับรู้สึกว่าหัวจะมึนมากๆาครับจะเข้าเลย <laughs> ครับแล้วก็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 อย่าท่านสอนบอกพิสูจ์ทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่คําว่ารู้ชัดคืออะไรรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือระลึกรู้เห็นร่างกายที่กําลังเดินใจของเราเป็นคนดูเท่า น, นั้นเองนะไม่เพ่งที่กายนะแต่ว่าเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาก็คือรู้ว่าตัวที่เดินอยู่นี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเดินร่างกายมันเดินต่งางละ หั่นคำว่ารู้ชัดของท่านนะรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ได้ปัญญาคือเห็นว่ากายนะนั้นไม่ใช่ตัวเราง่ายๆแค่นี้นะไม่ใช่ให้ไปยกเท้าอะไรต่ออะยุ่งการรู้สึกตัวที่เหมาะสมกับผมไม่ใช้การรู้สึกตัวแบบไหนครับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหม น, นะขอบคุณที่ทํามามันเพ่งมาเยอะให้รู้สึกกายไปรู้สึกร่างกายไปเลยนะั้นแล้วจิตใจขยับขยืขย่อนเนี่ยมันจะเห็นเอง เขาต้องคุณครับอย่างเห็นไหมเนี่ยจิตไหลไปอยู่ในไม่รึ่อล่าไหมจิตไหลเข้าไปอยู่ในไม่ตรงที่รู้ว่าจิตไหลเข้าไปอยู่ในไม้นั้นจิตตื่นขึ้นแวบหนึ่งนึกออกไหมหมดที่เตรียมไว้สิบแปดคนแล้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามีคนเขียนคําถามมาสองคำถามไม่ทราบหลวงพ่อจะให้โอกาสหรือเปล่าค่ำถามเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยให้อีกคนไหนก็จับไม้ละค่ะกานมณัติการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ขออนุญาตเเรียนถามแนวทางการปฏิบัติแล้วก็แนะนําที่นําที่เหมาะกับตัวลูกเจ้าค่ะยมอย่าให้จิตนิ่งนะอย่าภาวนาแล้วน้อมจิตให้นิ่งนิ่งเกินไปคกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ภาวนาไม่เป็นเจ้าค่ะคนธรรมดาที่คนนี้เขาว่าเขาโมโหคนนี้เขาชมเขาดีใ จ, จแล้วเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปของโยมใจมันโลง่งๆว่างๆมากไปนิดนึงเจ้าค่ะ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 เมืเวลาทางานหนูพ่อเล่าให้ฟังนะตอนนั้นหนูพ่อรับราชการอยู่นะตื่นเช้าขึ้นมา เ, เราก็มีสติตอนตื่นนอนเนี่ยยังไม่ต้องกลุมลูกน้องทํางานใช่ไหมตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกเลยจิตใจเรานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะจิตใจแห้งแล้งเลยพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์นะแหมชุ่มฉ่าเลยถ้าวันอังคาร น, นี่ก็เสงงมากใช่ไหมวันพูดเสงงที่สุดวันพฤหัสสดชื่นเห็นไหมวันศุกร์นี่กระดีกระดาแล้ว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 กังวลแล้วกลัวจะมาต้อนรับผู้ว่าไม่ทันในข่าวว่าผู้ว่าจะมาเลยกลัวจะมาไม่ทันกังวลกระวายรู้ว่ากังวลกระวายเนี่ปฏิบัติได้แต่เวลาทํางานจดจ่ออยู่กับ ง, งานไม่ใช่เวลาเจริญสติจดจ่ออยู่กับ ง, งานเวลาทํางานต้องคิดเรื่องงานนะคิดไปคิดไปทํางานไปทํำไปลูกน้องมัขกวนเลยแล้วถือแฟ้มใหม่อีกแล้วเอ้เราจะเรื่องคิดเรื่องงานเรื่องนี้อยู่กําลังยุ่งยากอยู่เอางานอื่นมาแทรกเราโมโหเรารู้ว่าโมโห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 งานน้อยกว่าท่านเหร อ, องั้นถ้าบอกว่าทํางานจนไม่มีเวลาเจริญสติอันนั้นไม่เข้าใจการเจริญสตินะถ้าเข้าใจการเจริญสติเราจะรู้ว่าการเจริญสตินั้นแหละคือชีวิตของเราแหละมีชีวิตอยู่ะล้วก็ยังมีการเจริญสติอยู่อา้าวโจนอีกคําถามค่ะถามว่าการนั่งวิปัสสนากรรมฐานสามารถแก้กรรมได้ไหมคะกรรมที่ทําแล้วแก้ไม่ได้นะแต่มันแก้กรรมใหม่ได้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 นะมีสติรู้กายรู้ใจแล้วทํากรรมใหม่ที่ดีไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างหลายบ้านนะมีปัญหาในครอบครัวงองแง ง, งองแงงตลอดเลยนะมาหัดภาวนาสักคนหนึ่งนะสามีหรือภรรยาอนะไรนี้มาหัดสักคนหนึ่งแต่เดิมภรรยานะ่ะขี้บ่นมากเลยสามีก็เลยทนอยู่ในบ้านไม่ได้หนีออกนอกบ้านไปเรืยไปมีอีหนูอินูมันไม่บ่นนะนะต่อมาเนี่ยภรรยามาหัดดูของตัวเองเรื่อยๆปากเริ่มหุบหลงหเรื่อยๆอ้าช้าขึ้นนะ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 แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลนานเทินและขอเชิญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางฝ่ายการแพทย์นายแพทย์ชูวิทย์ประดิษฐ์ปทุกานนะครับเป็นตัวแทนถวายพระไตรด้วยครับหลวงพ่อขออนุโมทนานะกับพวกเราวันนี้เรามาทําบุญหลายอย่างมาฟังธรรมนี่เป็นบุญสําคัญ